มีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีใช้คนของตนใส่บาตรพระทุกวันแต่เมื่อถึงเวลาตายเศรษฐีได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำกว่าคนใช้เพียงเพราะไม่ได้ใส่บาตรเองกับมืออยากให้คุณดังตรินเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นลองนึกถึงความเป็นจริงทางใจของนายและบ่าวคู่นี้ดูนะครับ เบื้องต้นคือเศรษฐีรู้จักธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสอยากทำบุญทำกุศลเพื่อความเจริญงอกงามซึ่งทางที่เศรษฐีมองเห็นคือใส่บาตรพระเพื่อเลี้ยงชีพพวกท่านเป็นการสืบทอดพระศาสนาด้วยวิธีให้อาหารการกินอย่างสม่าเสมอแน่นอนว่าการนึกอยากใส่บาตรย่อมปรากฏชัดในจุดเริ่มต้นอย่างไรก็ตาม อารมณ์อยากใส่บาตรหาได้คงเส้นคงวาไม่เมื่อเอาแต่นอนตื่นสายลืมตามองจิ้งจกบนเพดานไม่ได้เห็นพระไม่ได้เห็นสำรับกับข้าวของคาวของหวานไม่ได้มีใจผูกพันอยู่กับการรอถวายพัตตาหารกับทั้งไม่ได้สัมผัสขณะแห่งการใส่บาตรที่มีกลิ่นและไออุ่นของข้าวมาเป็นแรงบันดาลปีติไหนเลยเศรษฐีจะมีใจเป็นบุญได้เต็มดวงในแต่ละเช้า นานๆท่านเศรษฐีอาจระลึกด้วยความอิ่ม อ, อกอิ่มใจว่าเราใช้คนใส่บาตรทุกวันเราได้ทำบุญต่อเนื่องสม่ำเสมอดีจริงหนอการนอนใจเพียงนั้นแล้วไม่ทำบุญอย่างอื่นวันๆจิตใจผูกอยู่กับเรื่องบ้านเรื่องการงานเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศเรื่องลูกเมียตลอดจนเรื่องเมียน้อยเช่นนี้ปีติสุขย่อมมีกาลังอ่อน และพลอยทำให้เกิดการสะสมบุญแบบไม่เบิกบานในระยะยาวไปด้วยส่วนคนใช้เล่าชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรต้องตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อหุงหาอาหารตามคำสั่งแม้เขาไม่ได้ริเริ่มตั้งใจใส่บาททุกเช้าด้วยตนเองแถมทรัพย์สินในการซื้อหาเครื่องของก็ไม่ใช่ของเขาทว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เรียวแรงและเวลาที่เขาอุทิศให้กับการเตรียมของตลอดจนการออกไปรอพระใส่บาตรนั่นแหละคือต้นทุนที่เขามีส่วนร่วมกับเจ้านายเขาให้ตรองดูทรัพย์สินเงินทองเป็นของไร้วิญญาณไม่อาจเตรียมอาหารใส่บาตรพระไม่อาจปรุงรสให้ดีไม่อาจยกอาหารเดินไปรอขบวนภิกสุดังนั้นต้นทุนที่เป็นเงินจึงไม่ใช่ทั้งหมดของการได้มาซึ่งพัตนาหาร จำเป็นต้องนับรวมเอาต้นทุนที่เป็นแรงกายและแรงใจเข้าไปด้วยด้วยความกระตือรือร้นติดใจในการใส่บาตรพระได้เห็นพระใกล้ๆกลได้กลิ่นหอมของศีลแห่งสมณะได้สัมผัสกระแสะความว่างพิสุทธิ์ของพระผู้รู้แจ้งซึ่งหาไม่ยากนักในครั้งพุทธกาลนั่นเองส่งผลให้คนใช้อิ่มบุญในระยะยาว คนเราถ้าวันๆจิตใจผูกอยู่กับข้าวปลาอาหารที่จะถวายพระอย่างไรก็ต้องเกิดบุญใหญ่บรนดานปีติบรรดาความสว่างเป็นอันมากแน่นอนจริงๆแล้วคนเรามีโอกาสก่อกรรมมากกว่าใช้คนอื่นใส่บาตรพระและลงมือใส่บาตรพระด้วยตนเองเรื่องเล่าที่ว่าตายแล้วเสร็จถีไปเกิดในสวรรค์ชั้นต้นส่วนคนใช้ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงกว่านี้ ชี้ง่ายว่าถ้าบุญจากการใส่บาทเป็นตัวนำไปเกิดใหม่แล้วก็ผลต่างจะห่างกันตามกำลังใจเรื่องเล่าจะเป็นจริงหรือไม่คงไม่ใช่สาระสำคัญส่วนสำคัญคือการสาธิตให้เห็นกฎแห่งกรรมวิบากอันเป็นของจริงคือน้ำหนักบุญจะมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับกำลังใจเป็นหลักหาใช่ปริมาณทรัพย์สินที่ทุ่มลงไปในการทาบุญไม่ โบราณว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนานั้นอย่าหวังอันนั้นก็จริงอยู่ถ้ามองกันชาติเดียวชีวิตเดียวแต่ความจริงที่สมบูรณ์กว่านั้นก็คือแข่งสร้างบุญแข่งวาสนานั้นแข่งได้แม้ว่าจะต้องไปเห็นบุญเห็นวาสนาชัดๆกันในชาติอื่นดังเช่นชาตินี้ถ้าใครได้ดีจากบุญเก่าสวยสุกบนกองเงินกองทองล้นหลามแต่จิตสกปรก คิดได้แค่เรื่องอกุศลไม่สร้างบุญสร้างกุศลใหม่หรือทำบุญด้วยกำลังใจที่อ่อนชาติถัดไปก็จมลงอาจได้นอนกลางดินกินกลางทรายแทนตรงข้ามกับคนที่มีฐานะแย่กว่าแต่เขาเจ็ดเงินส่วนหนึ่งที่เหลือใช้ไว้ทำบุญทำทานเป็นประจำด้วยกำลังใจที่หนักแน่นชาติถัดไปก็ลอยตัวปาคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้องแม่บ้างเป็นการสลับบทกัน เรื่องจริงไม่อิงนิยายเป็นอย่างนี้มมมมมัันนนนใใจจวว่่่่่่าาสสิิงงทีีีเเเอออหหผลลล้้ยแะดไรรื